พระใหม่ให้เตรียมพร้อมมาไว้คําอธิษฐานพรรษาถ้าพูดที่จะจําพรรษานะมันใกล้และมีอีกไม่กี่วันวันนี้ก็เป็นวันที่หกกรกฎาห้าสามวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาห้าสามก็เป็นวันเข้าพรรษาเราไเตรียมพร้อมคําอธิษฐานพรรษาแต่ไม่กี่คำหรอกแต่ทําให้เตรียมพร้อมก็อึด อ, อักเหมือนกันนะ หลวงพ่อได้ลงกรุงเทพไปงานศพของคุณแม่องค์ขมลตรีดเรเชาวนาะศิลาวันลงไปแต่วันที่ส0แต่งานพระราชทานเพลิงศพของท่านกับวันที่สวันที่สามกรกฎาหลวงพ่อลงไปเพื่อดูดูความพร้อมผลหลวงพ่อในมนลพระครูบาอาจารย์ ที่ท่านรักเคารพนับถือที่ท่านส่งอาหารค่าปัจจัยตามวัดต่างๆเป็นค่าอาหารปัจจัยสี่ของพระอย่างวัดของเราเนี่ก็ท่านก็ส่งมาทุกสองเดือนพอสองเดือนแล้วก็ท่านรวมกันหมู่พวกเพื่อนของท่านท่านเป็นหัวหน้าก็ส่งตามวัดต่างๆทั้งหมดมัน 27วัอะไรก็เป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟปัจจัยสี่ของพระนั้นหลวงพ่อลงไปก็ได้ประสานวัดไหนที่ได้รับบุญคุณจากท่านขอให้มาร่วมแสดงความเมตตาหรือแสดงความเป็นพลังหรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับท่าน ด้วยถ้าพอเป็นไปได้พอมาได้เดี๋ยวหลวงพ่อก็ได้ลงไปประสานกับพร้อมกันแล้วลงไปดูความพร้อมเรื่องน้ําถวายพระถ้าขาดเรือขาดตกอะไรพวกเราก็จะได้ช่วยๆกันดูบ้างก็ได้ลงไปก่อนงานก่อนทุกอย่างก็เรียบร้อยแหละพระก็มากลนะห้าสิบกว่ารูปพวกกรุงเทพทั้งหลายตื่ น, นเน้องานน่ะว่าทําไมนิมนต์พระมามาก นิมนต์พระมาะมากขนาดนี้แต่ตามไม่จิมก็ไ่ได้นิมนต์หรอกค่อยๆบอกกล่าวบอกกล่าวมาร่วมกันงานศพของแม่ของท่านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือส่วนราชการที่ท่านมาสร้างโรงเรียนในหัวเมืองที่ท่านสร้างโรงเรียนต่างๆอย่างท่าบอสกล น, นคร เชียงคานเอราวัณ น, น้ำโสมสองโรงใหญ่โรงที่สิบห้าห้องเรียนทั้งนั้นแล้วก็น้องสูงอันนี้เราก็แจ้งข่าวไปแต่ต่างโรงเรียนก็ต่า ง, ต, างต่างไปเหมือนกันนะแล้วก็พร้อมกันกันนะวันพระราชทานเพลิงจริงเราก็บอกมาทางโรงพยาบาลอีกเหมือนกันโรงพยาบาลไหนที่ท่านได้ช่วยสงเคราะห์น อ, อนุเคราะห์ แล้วก็บอกกล่าวไปก็รู้สึกว่าคนก็ไปมากพอสมควรวันที่สามตอนบ่ายสีโมงฟ้าหญิงองค์เล็กเสด็จเป็นประธานประธานเพลิงศพคุณแม่ของท่านแต่หลวงพ่อเองท่านก็ถือว่าท่านเป็นพาน้องพระหนุ่งของท่านก็ไม่น่าจะผิด พรรู้จักกับท่านมานานองของ้ามมนตรีตั้งแต่สองพั้าร้อยสิบพวกเราบางคนบางท่านอาจจะยังไม่เกิดลูกหลานบางคนรู้จักกับหลวงพ่อมาเกือบ30มสิบขวบปีก็รู้จักมักคุ้นกันท่านไปวัดป่าบันตากองพ่อเพียงได้สี่พรรษาท่านเององค์พ่อ 4, สพรรษาที่เข้าไปบ้านตาดพรรษาที่หไปจำพรรษาที่บ้านตาดจากนั้นก็ออกมา ปัญษาที่ปปะยุ่ทั้งสิบสามปีปัญษาสาที่สิบแปดเนี่ยออกมาอยู่ที่นาคำน้อยก็รู้จักกฎท่านครอบครัวของท่านดีพอสมควรทั้งคุณหญิงทั้งคุณชายทั้งองค์ขมวนตรีเพราะนั้นท่านให้หลวงพ่อเป็นองค์เทศและองค์แสดงธรรมแต่หลวงพ่อเองก็ไม่เคยเหมือนกันนะ ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเน่ยถ้าเป็นมวยกับมวยมวยตามท่องไร้ท่องนาเหมือนกันแต่ไม่ใช่มวยขึ้นสังเวียนไม่ใช่มวยลุมพิณีมวยด้านดัดําเนินเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักเทศเทศเก่งยุเท ศ, เท ศ, เทศพูดให้ลูกให้หลานให้ญาติให้โยมฟังเท่านั้นเองไม่ได้เข้าไปงานใหญ่ถึงขนาดนั้นแต่คราวนี้เป็นงานพระราชทาน เพิงศพอะท่านก็ส่งแฟกมาเลยว่าเถอะจากสำนักกรมการศาสนาทำวัฒนธรรมบอกให้ให้ใหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมในงานพระราชทานเพลิงศพพระท่านองค์ขมาตรีท่านนิพน์เจาะจงว่าให้หลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็โอ้มันรู้จะเอาอยัางไงไม่เคยเลยท่นนี่ผลที่สุดก็เลยได้ไป อ่านข้อความเวลาขึ้นธรรมมากกต้องยกเป็นบาลีขึ้นมาเลยนะยกเป็นตําราขึ้นมาอ่านแต่หลับตานะ่ยยกขึ้นมาแล้วก็หลับตาพูดเลยงนะั้นแต่เริ่มต้นเราต้องกล่าวว่าขอถวายพระพรนนะเกี่ยวกับพระราชพิธีนะขึ้นต้นว่างนะั้นแล้วลงท้ายก็ขอถวายพระพรอีกลงพ่อเป็นครั้งแรกนะ ศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่ได้กล่าวคำนี้ในงานศพในครั้งนี้เหมือนกันแต่ลงพ่อก็ได้พูดบรรยายเกี่ยวกับยกบาลีขึ้นว่ากุศลาธรรมมาอากุศลาธรรมมาและก็ขยะวยธรรมมาสัางฆาราอัปปมาเดนะซัมปาเดธาติสรุปแล้วก็คือพวกเราเกิดมาต้องสร้างกุศลต้องสร้างบุญสร้างกุศล กุศลารร ม, มาถ้าคนไม่มีบุญไม่มีกุศลในจิตในใจแล้วคนนั้นจะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เหมือนกับคนเกิดมาแล้วไม่มีเงินอย่างนั้นเ่ะจนเมื่อตั้งแต่วันเกิดหาข้าวจะกอกหม้อก็ไม่ได้พ่อแม่ก็จนเกิดมากับผลจนแปลว่าคนไม่มีเงินพวกเราอย่าหวังเลยจะว่าจะมีความสุขตั้งแต่วันเกิดทุกข์มาตั้งแต่วันเกิด แต่ถ้าเราเกิดมาแล้วพ่อแม่รวยมีเงินแล้วกระจกว้างขวางเป็นผู้เสียสละเราเกิดมาในสกุลนั้นเป็นกุลสกุลที่ว่ามีเงินแล้วสรุปแล้วก็คือมีบุญนะกุสลาธรรมมาเกิดมาแล้วมีบุญมีบุญมีกุศลอกุสลาธรรมมาเกิดมาแล้วยากจนแม้ว่าเกิดมาแล้วมีบาปนะอัพยากรตาธรรมมาแปลว่าเกิดมาแล้วไม่ถึงก็ยาก ไม่ถึงกระจนขั้นกลางกลางเหมนอัพยากตาเนึ่ยถ้าเป็นจิตก็คือว่าไม่คิดไปในทางบาปไม่คิดไปในทางบุญเป็นจิตเป็นกลางๆลางน่ว่าอัปยาคตากัอัพยากตาธรรมมาแต่หลวงพ่อก็เลยบรรยายเกี่ยวกับบาปและบุญและจิตที่เป็นกลางๆงจิตที่เป็นกลางๆลางในหายากน้อยมากในจิตกองปุตชน โดยมากมันเวียงไปทางบาปแต่กาบางครั้งก็เวียงไปทางบุญแต่ตามไม่จริงเวียงไปทางบาปนั้นมากกว่าเวียงไปทางบุญแตน้อยอให้พวกเราสังเกตดูกันแล้วกันแต่ละวันใจของเราคิดไปในทางไหนไม่ต้องถามคนอื่นเหมือนกันแต่โดยมากมันเวียงไปทางบาปใชมากกว่ามีแต่ความอยากได้ความอยากอยากเป็นพื้นฐานจากนั้นก็ อ, อาหงอาหารจะฆ่า สัตว์ตัวไหนมากินมันล้วนแล้วจะเป็นคิดไปในทางบาปเรืย่าอากุชลาธรรมะจิตที่เป็นกลางๆนิ่งๆไม่คิดไปทางบุญทางบาปมีน้อยเพราะนั้นพระพุทธเ จ, จ้าใช่ไหมกุชลาธรรมะอากุชลาธรรมะอัพยากตาธรรมะจิตที่เป็นกุศลคือว่ากุชลาอากุชลาจิตที่เป็นบาปอกุศลจิตที่เป็นกลางๆไม่คิดไปในทางบาป แล้วไม่คิดไปทางบุญจิตเป็นวางกลางๆงอันนี้มีน้อยมากจากนั้นหลวงพ่อก็ว่าขยาววยธรรมมาสร้างฆาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติพระพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพานก่อนที่ท่านจะดับขันปรินิพานในวันเดือนหกเพ็นนะั่นจ่วนจะสว่างพระพุทธเจ้าสั่งเสียพุทธบริษัทสี่ของพระองค์คือลูกศิษย์ลูกหา ตั้งแต่ฝ่ายพระจนถึงครวิญาติโยมทุกหมู่เหล่าท่านบอกว่าสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงนะอีกไม่นานไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยไม่กีเ่เวลาไปข้างหน้าเนี่ยเราตถาคตก็จะปรินิพานนะจะตายแล้วว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงนะเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขยาววธรร ม, มาสร้างขาราษ อัปมาเดนะซัมปาเดทาติท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนก็คืออะไรมองดูตัวเองในชีวิตประจำวันถ้าเราเป็นพระอย่างนี้เราขาดตกบกพร่องในการเป็นพระของเราไหมพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทาอย่างไรเป็นพระก็ามาแล้วให้เป็นผู้มีศีลให้เป็นผู้มีสมาธิ ให้พิจารณาให้ควรไตร่ตรองด้วยเหตุและผลคือใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะทิ้งธาตุทิ้งขันทิ้งร่างกายของเราเขาจะต้องเผาไฟทิ้งนะเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างนะอันนี้ก็คือตั้งอยู่ในความประมาทประโยชน์ตนส่วนประโยชน์ท่านเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไร เราจะช่วยวัดวาศาสนาอย่างไรพอเราเกิดมาแล้วมีแต่อยู่กินใส่ปากใส่ท้องของเราไม่มองใครใเสฉยอันนั้นก็แปลว่าประโยชน์คนอื่นเราไม่ให้ความสนใจและไม่ไม่ให้ความใส่ใจก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะพระพุทธเจ้าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะอันนี้เกิดจากนั้นพระองค์ก็ปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่ตรัสอะไรอีกต่อไป ทำการป ร, รินิพานอันนี้แหละคือบรมครูของพวกเราพระพุทธองค์สั่งเสียอย่างนั้นเพรานั้นขอให้พวกเรานะทุกท่านจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมในวันในงานศพของท่านแต่ว่าโยมแม่ของท่านองค์ขมณฑรีน่าศึกษานะท่านเป็นคนดีก็บมีลูกชายคนเดียวก็คือองค์ขมณฑ์รีดรอเตอร์เา เท่านั้นลและแล้วก็พ่อของท่านก็ได้จากไปหลจากนั้นแม่ของท่านอายุมากขึ้นหกสิบเจ็ดสิบจะเข้าแปดสิบท่านก็อยู่ที่กรุงเทพทั้งองค์บนตรีโออากาศในกรุงเทพนะั้นไม่ดีไใครข้าทําให้แม่เป็นลักษณะเป็นหอบลักษณะอย่างนั้นท่านก็เลยหาวิธีที่จะเอาแม่ของท่านไปอยู่ในอากาศโอโซนที่ดีอย่างนั้นแต่ใกล้ทะเล แต่ท่านก็เลยไปสร้างบ้านอยู่ที่ชนบุรีถึงจะท่านจะลำบากแต่ท่านก็เห็นภพระคุณของแม่ของท่านท่านก็ไปสร้างบ้านอยู่ที่บุรภากลบเป็นที่เนินสูงครับท่านก็ไปสร้างบ้านที่นั้นเอาแม่ของท่านไปอยู่ท่านก็ดูแลแม่ของท่านดีมากตกตอนเย็นมาเนี่ยเข้าไปสนทนาธรรมะคุณแม่ ศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงใ น, ในหลักของการปฏิบัติคุณแม่จิตใจเป็นยังไงแต่ละวันท่านองค์มตรีท่านเป็นผู้มีธรรมท่านก็พยายามไปแนะนำหรือว่าไปพูดให้แม่ท่านได้ศึกษาธรรมะตัวของท่านเองก็ฟังเทศครูบายการเพราะท่านเป็นลูกศิษย์ ของหลวงตามหาบัวเป็นลูกจิตสมเด็จยานสังวรสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชองค์กมณฑีจากนั้นก็หลวงปู่เขาหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ชาหลวงปู่คำดีหลวงปูงปงปงปงป่ต่างๆมากมายในภาคอีสานหลวงปู่ลุยนะท่านก็ได้ศึกษาธรรมะท่านก็นําธรรมะเนะี่ยไปถ่ายทอดให้คุณแม่แต่คุณแม่ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันสมัยก่อนนะ ท่านก็ขึ้นมากราบครูบายการหลายๆวัดเหมือนกันจนถึงได้สร้างศาลาที่วัดบ้านโพนวัดหลวงปู่มหาเกียนอำเภอคําม่วงจังหวัดกรสิน์ทุกวันนี้ก็ยังมีชื่อท่านอยู่คุณย่านะสร้างศาลาไว้ที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ใช้ศาลาของท่านอยู่คุณแม่จํานงหรือคุณย่าจํานงณสี่ละวันนี่แ ท่านก็ได้ขึ้นมาทางอีสานแล้ว่าได้มากราบครูบาอาจารย์มากพอสมควรจากนั้นเมื่อปั่นปลายชีวิตของท่านท่านก็ไปอยู่แบบสงบที่ลูกชายของท่านเนี่ยโอ้ลูกชายที่เป็นหัวแก้วหัวแหวนจริงๆถ้าพูดแบบพวกเราเป็นลูกที่ว่ากระตันยูกระตวเวที่ตายอย่างยิ่งเป็นอภิชาติ บ, บุตรอย่างยอดเยี่ยมเรียนหนังสือท่านก็เรียนเก่งจากนั้นก็ท่านได้ทางาน ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้เป็นรองผู้ว่าการรถไฟจากนั้นมาท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีขมบนาคมจากนั้นตัานก็ได้เป็นองค์ข้อมนตรีเจ้าที่ไหนอีกหน้าที่การงานของท่านก่อนนั่นนะขาวสะอาดจากนั้นก็ท่านศึกษาธรรมะจากครูบายจานอีกจากนั้นท่านก็ดูแลโยโมแม่ของท่านอีกในห้องอายุแม่ของท่านหนึ่งร้อยหนึ่งปี แล้วเข้าไปในห้องบุกนวมอตรงที่แม่ของท่านจะกระทบจะเป็นเหลี่ยมห้องน้ําห้องประตูอะไรก็ตามท่านติดเบาะนวมไว้หมดเพื่อล้มลงไปก็จะให้มันกระทบกระแทกนี่อันนี้แหละคือท่านดูแลแม่ของท่านเหมือนกับดูแลไข่ในหินแล้แต่อย่างนั้นะจากนั้นตอนเช้าตอนเย็นก็มาดูมาแลอารงอาหารการบริโภค ท่านดูเพราะว่าคุณหญิงที่เป็นภรรยาของท่านองค์ขมนตีก็ตกเครื่องบินตั้งแต่ปีสองสามนะตั้งแต่เริ่มพวกเรามาเริ่มอยู่วัดปานนาะคบน้อยเนะี่ยคุณหญิงนั่งเครื่องไปกับหลวงปู่สิงทองหลวงปู่จุพัฒน์หลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงปู่บุญมาฮนะสมัยนะ้พถึงห้ารูปเป็นพระผู้ใหญ่ที่จะไปงานครบรอบ มงคลสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปีที่เท่าไหรหลวงพ่อก็จำไม่ได้ไปในงานนั้นคือให้คุณหญิงนิมต์จากนั้นก็เดินตามท่านลงไปก็เครื่องบินก็ไปตกที่ลังสิตนะสมัยน้ำมอรสสมเดือนพฤษภากรุบายจานันล้มหายตายจากไปหลายองค์คุณหญิงก็ได้มรณภาพไปแต่องค์ขบวตรีท่านก็เป็นคนมีคุณธรรมท่านไม่แต่งงานมาไม่แต่งงานเลยนะ ท่านก็อยู่กับแม่ของท่านมาโดยตลอดจากนู้นปีสองสามมาตรจนถึงปีห้าสามกี่ปีจากนั้นท่านก็เมื่อก่อนที่แม่ของท่านจะตายท่านก็พูดให้ฟังก็น่าคิดอีกเหมือนกันนะอายุร้อยหนึ่งปีวันนั้นพอตอนเช้านะทานอาหารตามปกติอาหารเหลวอาหาร อาหารคนแก่ทานไปจานหนึ่งจานย่อมย่อมนะตามปกติท่านยังไม่เอาอีกแต่วันนั้นท่านบอกเออเอามาอีกนะทางลูกชายพวกคนที่ดูแลโอ้คุณแม่ทานมากไปได้เดี๋ยวมันจุกเอาขนาดนี้นีไปก่อนเด้๋ยตอนเที่ยงค่อยทานอีกทานขนาดนี้พอละขนาดนี้พอวันนี้ทานมากแล้วนะทานมากผิดปกติกว่าทุกครั้ง คนนเอาขนาดนี้พอนะแม่นะจากนั้นก็ท่านก็เออไม่เป็นไรท่านก็ทานยานี่แหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยท่านหกล้มเหมือนกันท่านหกล้มก็ไม่เจ็บอะไรมากกระดูกก็ไม่หักอะไรหรอกห้องน้ำคือท่านเดินกับปอกแปะก็ล้มเหมือนแบบคนแก่นะพอล้มท่านก็กล้ามเนื้ออักเสบบ้างท่านโอ้ปวดปวดปวดท่านองค์คมนตรีท่า น, อา น, อ บ, นาบอกคุณแม่นะั้นไม่เคยมีเวทนาที่จะเจ็บปวด เหมือนครั้งนี้แต่คราวนี้ท่านเจ็บปวดท่านเคยพูดว่าเราไม่เคยเราว่าเจ็บปวดเวทนาปวดนั้นคืออะไรเรายังไม่เรายังไม่เห็นที่จังๆหรือว่าปวดมากๆเลยแต่มาคราวนี้ท่านรู้แล้วโอ้ปวดปวดปวดท่านว่า น, นะเพราท่านหกลม้มกล้ามเนื้ออั ก, อกเสบนะท่านด็กเตอร์ชาองค์ขบวนตรีท่านก็เป็นผู้มีธรรมนี่แล้วนี่แหละคุณแม่อาจารย์มาเยี่ยมแล้วเนี่ยจะทํายังไง จะทำความเข้าใจอะไรกับอาจารย์อาจารย์มาสอนนัเนี่ยต้องฟังนะเนี่ยเวทนานะี่ยแหะคืออาจารย์ของคุณย่าแล้วนะเนี่ยท่านก็สอนนักสนั้นอืพิจารณายัางไงอย่าเอาใจไปเกี่ยวอย่าเอาใจไปรับรู้อย่าเอาใจไปแบกมันให้รู้ว่าเวทนาจักตวเวทนาไม่ใช่ใจไม่ใช่เรานะคุณย่านะท่านก็สอนคุณยา่าท่านก็ ฝังออพอต่อมาท่านก็ขอยาเอายาไหมแกปวดเอานะ่ะท่านก็ไม่ให้ฉันมากเพราะมันคนแก่กลัวมันจะกัดกรนะเพาะน่ะพอในสุดวันเออเอาละพอแล้วไม่เอาะยานะอย่างนั้นก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะคุณยาวันนั้นอารมณ์ดีตอนเชา้าไอ้ตอนเช้าตอนเช้าแร้วตอนเย็นนอารมณ์ดีมากเลยเย้มหัวละดางลูก ชายองค์มตรีท่านดรชาวในคุณญาทําไมวันนี้อารมณ์ดีและเกิดมาพูดให้ผ ม, ผมฟังนึกเสี้ยว่าทําไมอารมณ์คุณญาติดีและเกินวันยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะคนเดียวเนี่ยทําไมแล้วบอกโอ้วันนี้แม่มีความสุขมากแม่มีความสุขมากความสุขอะไรล่ะคุณแม่เพราะว่าเวทนากับแม่นี่มันคนละส่วนกันแล้ว เวทนากับคุณแม่ไม่ยุ่งกันแล้วเวทนาก็คือเวทนาใจของแม่คือคือใจของแม่มันคนละอันกันเพราะฉนั้นแม่มีความสุขมากนโอ้ฟังดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาเหมอนกนนะหลวงพ่อฟังดูแล้วอืระดับแยกเวทนาออกจากกิจแยก ก, กิจออกเวทนานะไม่ใช่ธรรมดาสําหรับรักปฏิบัติอายุถึงหนึ 100, 100, 100, 100, 100, 100. ่งร้อยหนึ่งปีตรงนั้นนะจากนั้นพอ วันไม่กี่วันวันรุ่งขึ้นอะไรทานอาหารอย่างที่ว่านะั้นก็เลยสะอึกพอสะอึกเขาก็เอาออกซิเจนให้จากนั้นก็หายพอหายเลยเอาเข้าที่นอนพอเอาเข้าที่นอนแล้วสะอึกอีกที่นอนเขาก็เอาเ ข, ข้าออกซิเจนเขาอีกเขาขึ้นไปบอกองค์ขมนตีชั้นบนท่านก็ลงมาดูดูแม่ของท่านพอมาดูแล้วท่นนี้เหมือนกับคนหลับ่นะ้คอตกพอตกพวกที่ ดูแลอยู่สองสามคนตะโกนเลยคุณย่าคุณย่าคุณย่าท่านองค์ขมลตีผจุดจุดจุดจุดจุาส่งเสียงอยู่ในความสงบคือท่านรู้เลยว่าโยมแม่ของท่านคงจะทิ้งคงจะมาณะภาพในเดี๋ยวนั้นเพราะข้อตกพอจากนั้นมาก็ตังออกซิเจนก็ยังอยู่นะจากนั้นพอชักพักหนึ่งเอาท่านนอนลงไป ก็หมดพอดีนี่แหละแบบตายแบบง่ายๆจริงๆนะแบบใบไม้ร่วงใบไม้หล่นจริงๆใบไม้เหลืองแล้วก็หล่นว่างั้นเถอะคนเราจะไม่ให้ตายจะได้หลือเกิดมาในโลกนะี้ต้องตายเนี่ยตายแบบท่านไม่มีวิบากในขันจนเกินไปว่างั้นเถอะใครๆว่าไม่ทุกในขันฟังๆรุ่นแล้วก็น่าศึกษานะประวัติของขุญญนยะ่าเนี่ยแม่องค์ขมลตรี ร้อยหนึ่งปีเมื่อ น, นี่ที่หลวงพ่อไปงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่สามกรกฎาห้าสามนี่แหละที่หลวงพ่อไปคราวนี้ก็ไปนี่แหละแต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้ลงกรุงเทพญาติโยมเขาก็เห็นเออทำไมหลวงพ่อขออ น, น, นุโมทนาจะอยู่แล้วก็มีมากมายแต่ตามไม่จริงก็ เราก็ห่างจริงๆนะห่างญาติโยมพี่น้องทางกรุงกรุงเทพจากไม่จริงก็เห็นว่าครูบาอาจารย์อยู่ทางนู้นก็มากทีแล้วแต่และงานอ่ะยี่สิบสามสิบสี่สิบโปรุ๊เราเข้าไปก็คงจะไม่เพิ่มพูนอะไรมากมายหลวงพ่อก็เลยเ อ, อ๋อเราอยู่ในป่ารงพงไพรเราเป็นพระปา่าเราจะไปยุ่งเยิงวุ่นวายในกรุงเทพมากกันยังไงยังไงอยู่ครูบาอาจารย์ดู นรับนิมลซะแต่ก่อนที่จะมาในวันที่ห้าแล้ววันที่วันอาทิตย์จะจ ง, งเขาคนนิมนต์แต่หลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธอย่างแรงเราแต่ว่ารับไว้พิจารณาเพราะว่าหลวงพ่อดูดูแล้วเป็นพระป่าพระดงอยู่ในป่าดงพงไพ่สะดวกกว่าอยู่สะดวกกว่าอยู่ในเมืองในกรุงเพราะงั้นอะมาอยู่อย่างเนี้ยอยู่ในป่าดงเน่มีอะไรก็ฉันตามอัตภาพอยู่ตามอัตภาพ ปฏิบัติอยู่ตามอัตภาพอย่างเนี้ยหลวงพ่อสบายเยะ ก, กว่าเพราะนั้นไม่จึงไม่ได้ค่อยได้รับติโมนทางกรุงเทพมากแต่ตามไม่จริงก็เห็นญาติโยมแล้วก็หน้าห่วงแล้วก็หน้าที่ท่านให้เราท่านเหล่านั้นให้ความเคารพนับถือและถวายปัจจัยสี่มามากต่อมากเหมือนกันที่ว่าเราอยู่ได้ก็เนีะพี่น้องทางกรุงเทพ ถวายการสนับสนุนเรื่องปัจจัยสีเรื่องการก่อสร้างเรื่องใหญ่ๆตัวมากก็มาจากกรุงเทพเป็นส่วนใหญ่ส่วนบ้านเราเนี่ยก่อนเนี่ยอาหารการบริโภคข้าวน้าโภชนาอาหารก็อาศัยพี่น้องทางกลุ่มของเราไม่ขาดตกบกพร่องนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือหลายหน่วยหลายเหล่าหลายกลุ่มหลายคณะ ที่เข้ามาบํารุงพระพุทธศาสนาที่วัดวาศาสนาหรือวัดของเราอยู่ได้ เ, เป็นมาหลายหลายกลุ่มอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอาหารปัจจัยสที่ท่านกลุ่มท่านช่วนหนึ่งที่ท่านได้ส่งมาดูแลพระสงฆ์ค่าเป็นค่านา้าค่าวไฟค่าอ า, อาหารสรุปแล้วก็คือเป็นผู้มีอุปกา ร, ระคุณสําหรับวัดของเราทุกระดับ เพราะนั้นให้เราคิดเอาไว้ว่าบุญคุณคํานี้พราพุทธศาสนาไม่ให้มองข้ามขนาดพระราธาพามใส่บาตรเพียงทัพพีเดียวใส่บาตรให้ภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรยังไม่ลืมพราหมณ์ใส่บาตรพระราธาพามใส่บาตรที่กรุงราชคือภาษาริบุตรบินทบาตไม่ได้อาหารราธาพามเห็นง้็ นีมนเข้าไปแล้วก็ใส่อะใส่บาทภาษาลิบุตรข้าวทับพีหนึ่งภาษาลิบุตรก็ได้ฉันข้าวของราตพามตอนที่พรามอายุแก่อายุแปดสิบปีอยากจะบวชอยากจะบวชจนตัวเหลืองว่ะนั้นหาผู้ที่จะบวชให้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะไม่มีพี่มีน้องสมัยนั้นก็คงจะหาผ้าหาอะไรยากผู้ที่จะ ทำบุญสงเคราะห์นี่หายากนเพราะพุทธเจ้าได้ประชุมสงนะว่าใคร ร, รู้บุญคุณของท่านราตพามบ้างพระสารีบุตรประกาศในถ้ำกลางสงองค์นั้นก็เงียบพระสารีบุตรนั่งกระยงปนมมือขึ้นมาข้าพระองค์ระลึกได้พระเจ้าข่าท่านระลึกได้ทํ า, าราตพามเนี่ยพามคนนี้เนี่ยได้ทำบุญอะไรกับท่านเนีสารีบุตรสมัย หข้าพระองค์ไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ไม่มีใครใส่บาตรราธพามไปทําพิธีกรรมมาได้ข้าวมาแล้วก็ตักข้าวสวยใส่บาตรข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งพระเจ้าข่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ท่านเป็นเจ้าภาพบวชราธพามนะสารีบุตรพระเจ้าข่าขนาดราธพามใส่ข้าวเพียงทัพพีเดียว ภาษาลิบุตรยังลำลึกถึงพระคุณเพราะนั้นเรื่องพระคุณในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาแล้วอย่ามองข้ามถ้าใครก็ตามรู้จักบุญคุณของคนผู้นั้นมีแต่ความเจริญถ้าผู้ใดเนรคุณคนไม่รู้จักบุญคุณของคนผู้นั้นมีแต่ความฉิบหายเพราะนั้นพ ว, พวกเราให้ระลึกไว้ น, นี้คือหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนใ ห, ให้รู้จักบุญคุณ ของผู้มีอุปการะคุณและก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบวชในพระพาษาษาษาุทธศาสนาหรืมาปฏิบัติธรรมให้คิดไว่อยู่เสมออย่างที่หลวงพ่อพูดนะนะกุศลาธรรมมาให้จิตใจที่เป็นกุศลให้สร้างกุศลเอาไว้อย่าประมาทตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นอย่าไปสร้างอากุศลเข้าสู่จิตใจเพราะอากุศลที่สร้างไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ให้ทก แล้วก็ขยาวยธรรมมาสร้างคาราสร้างขานทั้งหลายของเรานะไม่เที่ยงตายแน่อย่างที่ว่าเพราะนั้นตรงยังประโยชน์ตนอย่าให้ขาดตัวปกพ้องไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติเอาจริงจังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขยาวยธรรมมาสร้างคาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านก็เนี่ยช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือวัดวาศาสานา ปัดกวาดทำความสะอาดซาโรงซาลาดูแลห้องน้ำเพื่อสงเพื่อหมูพวกเพื่อนเพื่อพุทธบริษัทสี่อันนี้ก็คือประโยชน์คนอื่นทั้งหมดประโยชน์ตนด้วยประโยชน์คนอื่นด้วยที่ใช้ศาลาหลังนี้ใช้ห้องน้ำในวัดของเราร่วมกันดูวัดดูแลวัดวาสนาร่วมกันในประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท น, นี่แหละคือชีวิตของพวกเราให้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และก็พร้อมกันกันให้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายที่เราเอาออกมาจากท้องแม่ของเราแท้ๆตั้งแต่หัวจดเท้าใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้เร า, เอาออกมาจากไหน ไม่ใช่ออกมาจากจอมปลวกนะไม่ใช่ออกมาจากโพรงไม้นะไม่ใช่ออกมาจากถ้านะออกมาจากแม่นะคลอดออกมานะขนาดร่างกายของเราเนี่ยออกมาจากท้องแม่แท้ๆว่าเป็นของเราเนี่ยแต่อีกสักวันหนึ่งมีแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เอาไฟเผาทิ้งร่างกายในยมีตะกั่ดูกขนาดร่างกายของเราแท้ๆยังไม่ใช่ของเรา เราจะไปยึดของอย่างอื่นว่าเป็นของเราได้ยังไงหลวงพ่ออินจะไปยึดวัดเนี่ยเป็นของหลวงพ่ออินนะเอ้ยจะไปยึดไหงโง่ศาลาหลวงพ่ออินนะใช่เขาก็ว่าไปอย่างงั้น่ะแต่ตามที่จริงมันไม่ใช่ขนาดร่างกายของตนเองยังไม่ใช่ของตุกของเราอย่าไปยึดศาลาวัดวาศาสนาเป็นคนอื่นว่าเป็นของเราได้อย่างไงนี่แหละมันปล่อยวางอยู่ที่ใจน่ะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในจิตใจให้ปล่อยวางที่ใจนี่แหละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อย่าไปยึดถือในสิ่งลู่อื่นวาเป็นของเราขานาดกายของเราแท้แท้ยังไม่ใช่ของเราใจนะขานาด ใ, ใจก็ปล่อยวางที่ใจอีกใจตอนนี้ก็ยังเป็นอันนี้จังของไม่เที่ยงอีกเหมือนกันคิดดี them, คิดชั่วเดี๋ยวก็คิดดีใจเดี๋ยวก็คิดเสียใจอยู่ในจิตในใจอันนี้ก็คือขึ้นขึ้นลงลงวูบวูบบาเป็นบ้าเป็นบอบอยู่ในจิตในใจของเราอันนี้ก็คือตัวก็เพิ่มอยู่ในจิตใจวางตัวนี้อีกนี่แหละถ้าวางได้ถึงขนาดนั่นแหละ เป็นผู้หลุดพ้นจากอาชวะกิเลสอาชวะกิเลสมานตามไม่ถึง น, นี่ถสลัดทิ้งเลยทอดคาบทิ้งเลยอยงั้นเถอะเหมือนกับแก้เสื้อทิ้งอย่างงั้นแหละปลดเสื้อผ้าทิ้งเนะี่ยมีแต่ความบริสุทธิ์ที่จะตามจิตใจใจตรงนั้เป็นใจที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาเนี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะพวกเราท่านทั้งหลายนะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของเราถึงจะมั่งมีสีสุขร่ารวยขนาดไหนยศฐามบรรดาสุขสักสูงสงขนาดไหนก็มีจุดจบคือมรณะมรณังเมภวิสติข้าพเจ้าจะต้องตายสักวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะตอนนี้ไปรับพรนะั่นโมทนาให้ก่อน